มีศรัทธามาโวดเป็นพระก็ดีเป็นทีก็ดีก็ขอให้พากันลึกไว้ว่าเรามีบุญบุญบันดาลให้เราเกิดสรัทธามาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าบุญกุศลนหนหลังไม่มี มันจะไม่มาโดนจิตจนใจให้เกิดศรัทธาอยากบวชให้เข้าใจอย่างนี้คนที่ไม่บวชนั่นแสดงว่าเขาไม่สนใจเรื่องการบวชมาแต่ก่อนมันไม่มีนิสัยปัจจัยอันนั้นติดตามมาเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สนใจในการบวชโคสนใจในการบวชนี่จะชาติอน คงได้รักษาอวบสดสินมาอันนี้สองการรักษาอวบสดสินนี่แหละทำให้จิตใจโน้มไปในทางที่จะออกจากกรมมคุณเบญญาผู้ใดไม่คิดรักษาอวบสดสินเลยแสดงว่าผู้นั้นยังหมกมุ่นอยู่ในก ร, รมยังพอใจในกรมมคุณทั้งห้าโย เช่นนี้มันก็ไม่มีสิ่งโดนบันดาลให้อยากบวชอยากเรียนในพระศาสนาทําบุญกุศลให้ทานไปรักษาสิทธิ์ท่าไปาบุญกุศลก็โดนบันดาลให้เกิดมาแล้วร่ำรวยมั่งมีก็ไปเพลิดเพลินมัวเมาอยู่กับความร่ำรวยความมั่งมีอนั้นเสีย เออทําให้เนิ่นช้านานพ้นทุกข์ก็ให้เข้าใจกันอย่างนี้การที่ผู้อินดีในการบวชประพฤติพรหมจรรย์แม้จะไป น, นุ่งขาวโกนผมโกนคิ้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนักบวชเหมือนกันเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันเพราะเว้นจากการครองเรือน อันนี้แสดงว่าบุญบา ร, รมีมันแก่กล้าพอสมควรมันจึงมีความประพฤติเก้าหน้ามาได้ถึงปานนี้ถ้าหากว่าคนบุญน้อยแล้วกิเลสเปนหลเนี่ยมันจะมาอยู่ในสถานที่สงบระงับพักน้อยสันโดษอย่างนี้ไม่ได้เลย เดือดร้อนเป็นทุกข์หลายเนื่อนที่พวกเราได้อยู่กันได้สบายบายไม่เดือดร้อนกิเลสไม่แผดเผาทจิตใจก็แสดงว่ามีบุญมากพอสมควรก็อ ข, ขอให้ภาคภูมิในบุญกุศลของตนอย่าไปทำใจให้ห่อเหี่ยวอย่าไปตีตนลงต่ำว่าตนนี่บุญน้อย อย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็น้อยเนื้อต่ำใจลงไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องต้องพิจารณาดูความเสียสละของตอ น, นอ่ะมันเสียสละได้ขนาดไหนแต่นี่เมื่อพี่ดาเห็นว่าตนนั้นเสียสละอันยิ่งใหญ่จริงโดยเฉพาะคนที่มีอายุยังยังไม่มากนี่นะ ก็ยังจะเพลิดเพลินในกามกคุณได้อยู่เช่นนี้ก็ไม่เพลิดเพลินไม่เอาสละออกมาประพฤติพรมหมจรรย์แสวงหาความสงบทางกายทางวาาิชาทางจิตใจนี่แสดงว่าบุญแรงอะ่ะคนอายุมากก็บุญแรงเหมือนกันบุญบันดาลให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปจนเฒ่าจนแก่ อ, อย่างนี้มันบุญใครบุญเราอะ่ะต่างคนต่างสร้างมาคอยเข้าใจคนเรานี่จะให้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้เพราะต่างคนต่างสร้างมาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้รู้ผู้ฉลาดทั้งหลายท่านจึงสมาคมได้กับบุคคลทุกประเภท เพราะท่านพีนาเห็นกฎธรรมดาของมนุษย์ดังกล่าวมานี่แหละอต่างคนต่างทํามายิ่งกว่ากันย่อนกลัวกันอันนี้เหมือนอย่างแม่นา้ามันไหลลงไปสู่ทะเลสู่มหาสมุทรทะเลจํานวนใดที่มันไหลไปก่อนมันก็ถึงทะเลหลวงก่อนพวกที่ไปทีหลังก็ยังไม่ถึง แต่ว่ามันก็จะไปถึงได้อยู่สักวันหนึ่งน้ำนั่นนะมันไหลไม่ถอยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละพูกมีบารมียังอ่อนโยเขาเป็นช้างเข้าหลังยินดีสนับสนุนผู้กระเพิดทาผู้เสียสลอก เขาก็เป็นทางเท้าหลังทางเป็นช้างเท้าหลังเขาก็สละกิจตุปัจจยออกมาบำลุงโคกกระพึอเข้ามาจันทอ์มันก็เป็นอุปนิสัยของเขาไปอย่างนั้นแหละผู้ที่ไม่ทำอะไรเสียเลยไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเลยพวกนั้นเหมือนกับน้าที่ขังอยู่ตามบวกตามหนอง ไม่มีทางไหลขังอยู่อย่างนั้นไปเลยเหมือนอย่างบคุคคลผู้ที่ไม่สนใจในการฝึกตนในการกระทำความดีต่างๆเช่นนั้นจิตใจมันก็หนีจากโลกนี้ไม่ได้เหมือนอย่างน้ำมันขังอยู่ในในบึงในหนองอย่างนั้นเลย ถึงเวลามันก็แห้งไปแห้งไปอันนี้ชีวิตของคนเรานี่บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนนั้นนำมาให้เกิดขึ้นมาแล้วมาเห็นโลกอันสีวิัยอย่างนี้ลืมตัวบันนี้ลืมตัวบุญกุศลนนหล้างแต่งให้เป็นผู้ร่ำรวยเงินทองเข้าของลาบยศตรรเสนิญต่างๆแล้ว นึ ก, กว่าตนมีความสุขพอแล้วก็เลยเพ้อเพิินอยู่ในสุขสมบัติอันนั้นไปส่วนมากผู้ที่ไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลมักจะใช้เงินไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายเช่นนั้นแหละแล้วบางรายก็เลยถูกศัตรูฆ่าเอาตายเสีย กันเนื่อมาแต่ความเป็นผู้ที่ไม่มีศีลธรรมอยู่ในใจเมื่อมีเงินทองมาแล้วก็ใช้อํานาจเงินทองขูดรีดคนอื่นคมคูคนอื่นให้สะดุ้งหวาดครัวต อ, อํมนาดของตนมานี่มนุษย์เราเนะ่ยมันยอมกันแต่ร่างกายแต่จิตใจภายใน ใ, นใจเนะี่มันไม่ยอมเมื่อมันสู้ทางกายไปไหมันก็ยอมไปก่อนแต่จิตใจเนะี่มันยิด ผูกอาคาดอยู่แล้วพ อ, อได้ทีมันก็อเล่นงานเอาเลยนี่แหละคนผู้ทำบุญกุศลมีแต่ให้ทานรักษาสินธรรมดาไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ภาวนาไม่ได้ฝึกฝนจิตใจให้สงบระงับจากบาปอากุศลต่างๆ เมื่ออา尼สงทานสิ่เอันนั้นมาอำนวยให้ร่ำรวยบั่งมีแล้วจิตใจนั้นมันไม่ฉลาดเลยแบบนี้เมื่อร่ำรวยก็ติดความร่ำรวยอันนั้นไปจนเป็นเหตุไม่ให้ได้สร้างบุญสร้างกุณผลอะไรเลยนี่เรียก ว, ว่าคนทําบุญไม่ได้ครบวงจรคอยเข้าใจก็มีการฟังธรรมมีการภาวนาสมาธิ เพิกียใจให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณให้ได้อย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเสมอเสม อ, สมอไปแล้วเออถ้าหากว่ากิเลสยังไม่หมดบุญยังไม่เต็มเกิดไปชาติใดก็ไม่ลืมตัวคอนโดนั่ะรู้ถึกตัวได้เหมือนอย่างบางคนน่นแหละ เอเมื่อสนทนาปลาใสกันบางคนก็มักจะปารบถึงความแก่ความตายาปารบถึงความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยคนเช่นนั้นแสดงว่ามันหนักในธรรมอติชาตก่อนอโโ น, นู่นอันติดตามมามาในชาตินี้เมื่อมา พบกับธรรมชาติของโลกนี้แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนมันก็เป็นเหตุให้ฉุกคิดโอ้โลกอันนี้ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนอย่างนี้เนาะเต็มไปแต่ด้วยความอุปสรรคขัดข้องนานาประการไม่ราบรื่นในชีวิตใช่แสวงหาเงินทองเข้าของก็แสนยา่าแสนลำบากมีแต่อุปสรรคขวางหน้าอยู่อย่างนั้น กว่าจะได้เงินทองเข้าคลองมา แ, แทบล้มประดาตายไอ้หมุดนี่นะแต่มนุษย์ผู้หลงกูเมาแล้วมันคิดไม่เห็นผู้ไม่เมาอย่างว่านั่นเคยได้ฟังทำคำสอนของพระเจ้ามาแต่ก่อนอุปนิสัยนันมากระตุ้นจิตใจทาให้คิดได้อย่างพวกเราที่มาเป็นนักบวดกันย์ทั้งนุ่งขาวนุ่ง เลืองห่มเรื่องกันนี่แค่อย่างนี้นั่นก็แสดงว่าเคยคิดพิจารณาเห็นทอดแห่งกรรมกุณมาแล้วแต่ชาติก่อนหนหลังเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเหมือนอย่างเรื่องราวของพระจุลวรรธกเหตุเจ้าในครั้งวัดเจ้านั่นท่านเป็นน้องชายของพระมหาบรรทุก มานี่ยเ้มหาบันทบนั้นออกบวชปฏิบัติไปได้สำเร็จอรหัตผลไปแล้วเลยจะเอาน้องชายมาบวชตั ว, วนี้น้องชายนั้นพ่อบวชเข้ามาแล้วพี่ชายก็ให้เรียนคาถาสี่บาทเรียนอยู่สี่เดือนยังจำไม่ได้เลยพี่ชายก็เลยเห็นว่าไอ้มันอาภัพไปเนี่ย อย่าเลยเธออย่าบวนเลยหนีไปศึกซะพี่ชายไล่เลยวันนี้อพอตกกลางคืนมาดึกๆขษ า, า, าศตราเรยงยานส่องสัตว์โลกไอ้จุนระบันทกนี่ไปต้องถ่ายพยานของพระองค์พระองค์จึงเสด็จมาเดินจงกรมลัดทางโย่ปากประตูทางออกนั้น พระชนบทุกเดินจากปุติลงมาจะออกประตูกับไปเห็นพระศาส ด, ดาพระองค์ก็ถามว่าแล้วเธอจะไปไหนอเ อ, อ่อพี่ชายไม่ให้ข้าพระองค์อยู่ข้าพระองค์จะหนีกลับไปศึกที่บ้านอรอกงั้นจะไปศึกทำไมอ่ะเราสถาคตยังอยู่แท้ๆนี่ทำไมเธอจึงทิ้งเราเสีย ไม่ไปหาเราแล้วพระองค์ก็พาพระเจรมิมถกขึ้นไปบนกุฏิพระองค์อธิษฐานเอาผ้าเช็ดปากให้ผืนหนึ่งแล้วก็บอกคาถาภาวนาให้รัสโชหระนงังรัตชังหะรติเมื่อมันถูกกับจริตนิสพระเจรมศกจำได้เลยไม่ยากแล้วก็รงสอนให้บริกรรมอย่างนี้นะ แล้วต่อเอาผ้าเช็ดปากผืนนี้ถูแข้งถูขาไปมาพร้อมทางบริกรร ม, มเมื่อพระ อ, องค์แนะนําอย่างนั้นท่านก็ทําความเพียรอยู่บนพระคันธกุดีของพระ อ, อ, อ, อ, องค์กันเองแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านพร้อมโดยภิกษุสงหมอโกมาละพัฒนิมนต์ไปฉันที่บ้านหมดทั้งวัดในวันนั้น อ, องค์เสด็จไปในบ้านหมอโกมาระพัตน์ ได้เวลาหมอโคมารพัดนำขันเข้าจะมาใส่บาตรให้พระองค์พระองค์ก็ปิดฝาบาตรไว้รงตัดว้าพิกษุยังมีอยู่ในวัดนั้นรูปหนึ่งว่างั้นผูเช่นที่ทัานพระมหาบรรทกผู้เป็นผิ้ชายก็กราบทูลพระองค์ว่าไม่มีหรอกพระเจ้าข้าเพระาะว่าท่านพระมหาบันทกท่านเป็นเจ้าหน้าที่จัดพระไปสวดมนต์ไปฉันทีโนนที่นี้ พอน้องชายนั้นท่านไล่หนีแล้วเข้าใจว่าน้องชายไปศึกแล้วจึงทูลพระ อ, องค์ว่าไม่มีพระอยู่ในวัดซักองค์เดียวบบนะพระ อ, องค์ก็ยืนยันว่ามีสิทำไมไม่มีคนใชยของหมอหมอกโกมารพัฒก็เข้าไปในวัดส่วนพระจุลมังคกเมื่อบริกรรมภาวนาอยู่นั่นแล้วผ้าในเกิดเข้าหมองขึ้นเอามาถูตามแข้งตามขานี่ พ้ลาลงมาพิจารณาแมมผ้านี่แต่จะรก้ขาวสะอาดพอมาถูร่างกายนี่เข้าไปมัวหมองไปเลยโอ้ร่างกายนี่ไม่สะอาดสักหน่อยเลยเนาะสกปรกเทามอมจริงๆริพระองค์รู้เข้ากระรงแผ่รัศมีมาจากบ้านหมอกมารพัดมาปรากฏพระองค์อยู่ยืนประทับอยู่ต่อหน้าพระจุบวันธกแล้วก็ ส, สอน ทางวิปัสนาให้สอนในเจริญไตรลักษณ์ญาณ น, นี้เองท่านพิจารณาตามที่พระองค์สั่งสอนในที่สุดก็เลยสำเร็จอรหันมเมื่อสำเร็จอรหันแล้วท่านได้คุณพิเศษคือจะตกปฏิสัมพิทายานสี่คราวนี้ข้ามหาจุลบรรทโกราศทูลพระองค์ว่าพระไม่มีอยู่ในวัด พระเจ้าข้าขมันพราะน้องชายนั้นได้ได้รู้ทางใจเออพี่ชายเรานี่บอกพระศาสดาว่าพระไม่มีอยู่ในวัดวันนี้เราจะทําพระให้เต็มวัดไปเลยมันท่านก็เข้าฌานอธิษฐานด้วยฤทธิ์ก็ะพันานให้เกิดมีพระอยู่เต็มวัดเลยกบ่านี้แต่มีรูปร่างเหมือนพระจุนลวรรธน์ทั้งหมดเลย วางโวกก็ปัดกวาดวัดอยู่วางพวกก็เย็บผ้าตัดผ้ า, ผาย้อมผ้าอยู่วางพวกก็ทำงานอะไรที่สมควรแก่สมณะเมื่อคนใช้ของหมอหมอโกรมารพัดเข้าไปในวัดเห็นพระเต็มทั้งวัดนี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะนิมนต์องค์ไหนฮะนี่ก็กลับไปไปบอกนายบอกว่า มีพระอยู่เต็มวัดเลยไม่ทราบว่าองค์ไหนเป็นพระจุลวรโธไม่รู้เลยทันว่าถามว่าท่านองค์นี้คือใครของท่านเวลาตอบตอบพร้อมกันหมดเลยเราคือพระจุลวรโธว่าเสียงเดียวกันเลยอย่างงี้ไม่ทราบว่าจะนิมณองค์ไหนของท่นก็จัดสดาจึงได้แนะนำํำว่าเธอเข้าไปในวัดแล้ว ก่อนจะถามในั้วใส่ทายจีวรของพระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วจึงถามว่านี่เหลือคือท่านพระจุลบรรทกรของนั้นแล้วไอ้ลูกพระนอกนั้นหายไปหมดหรอกไปจะยังเหลืออยู่แต่พระจุลบรรทกเท่านั้นเองแล้วก็จึงพาท่านมาสู่งบ้านหมอโกมรารพัฒนี่ขางนั้นคนใช้ไปอีกครั้งที่สองเขาก็ไปคว้าใส่ทายจีวร นั่นจึงได้ถามว่าท่านนี่เหลือเป็นพระจุลบรรทถกเอออัตมานี่แหละเป็นพระจุลบรรทถกพระนอกนั้นหายไปหมดเลยจะได้นําท่านไปสู่บ้านหมอโกมรารพัฒน์พระองค์จึงได้เปิดปาดให้หมอโกมารพัฒกับญาติโยมเงนินใส่บาทฉันเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระจุลบรรทถกนั้นแสดงทำแทนพระองค์พระองค์ก็เสด็จไปวัดเลยวะนี้ อืออันนี้คระจุลวันษถกสมองทึบเรียนอะไรที่ชายโขคาถาให้เรียน4ีบาทโขคาถาท่องอยู่สี่เดือนไม่จำไม่ได้เลยเมื่อได้สำเร็จอราหันแล้ววันนี้ความแตกฐานในอันในธรรมนั้นหั่งโผกันมาเลยออเมื่อท่านขึ้นธรรมะแสดงธรรม คนทั้หลายงงเลยบัดนี้พระองงงเอ๊ท่านองค์นี้เสร็จบวชเข้ามาแล้วเรียนอะไรก็ไม่จะได้สมองทึบอ่ะวันวันนี้ทำมไมยังาแสดงทำเหมือนน้ำไหลไฟไหมอะไรทีเดียวกันอั น, นี้วันนี้พระศาสดากระทรงแสดงบุพกรรมของพระจุลบรรทกตั้งแต่ชาติ่อนได้เป็นพระราชาอยู่ในเมืองพระราณศี แล้ ว, วันหนึ่งสเสด็จทรงคอช้างเรียบพระนครสมัยแต่ก่อนไม่มีรถมีลาอะไรหรอกมีแต่ใช้สัตว์เป็นพาหน ะ, สะเสดกก็ร้อนมานีนเหงื่อก็ทชงก็เลยควุกเอาผ้าเช็ดหน้านั้นมาเช็ดเหงื่อเช็ดไข้ตามผ้าตาตัวเช็ดไปเช็ดมาผ้าที่สะอาดสะอาดล้วกลับมัวหมองไปเพื่อนจึงได้มาพิจารณา เอ้ให้ร่างกายคนเรานี่ไม่มีอะไรสวยงามเนะ่ะดูพอดูได้แต่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในแล้วเต็มทีมันก็เหงื่อใครนี่มันต้องไหลออกมาแต่ภายในร่างกายนู่นเเออร่างกายอันนี้เป็นอย่างนี้เนอเกิดความสังเวชตรดใจนั่นแหละเป็นอุปกรณ์ใช้ปัจจัยมาบั้ติดตามมาเมื่อท่านมาบวชแล้ว พระศาสด า, าทรงนิรมิตผ้าเช็ดปากให้คืนหนึ่งแล้วบริกรรมภาวนารับโชหรรังรับชังหรติโยนี่เป็นปัจจัยท่านได้สำเร็จอรหันต์ก็เพราะอาศัยแต่คราเป็นพระราชานนได้พิจารณาผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าเช็ดตัวแล้วมันมัวหมองนั่นเป็นอารมณ์ถ้าจงไม่เป็นอกุศลใสอรหัตขา นี่ทานเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าเรื่องกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปมีจริงบุญกรรมแต่ชาติก่อนนั้นมันโน้นส่งให้มาเกิดในชาตินี้ให้มาสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแต่ชาติก่อนอย่างนี้แหละที่ยกเรื่องราวของภาษาพวกแต่ก่อนมาแสดงสู่กันฟังนี่ เพื่อยืนยันว่านิสไสปัจจัยที่บุคคลเรากำำระทาบําเพ็ญมาแต่ก่อนนั้นมันติดสวยให้ตามมาจริงเหมือนอย่างท่านจุลวันทกดักล่าวมาแล้วนึงท่นานพิจารณาผ้าเช็ดปากเช็ดหน้าเท่านั้นแล้วเกิดความสังเวชสะกดใจเพราะร่างกายนี้มันไม่เที่ยงยั่งยืนทั้ทงไม่สวยไม่งามอะไรเลยอย่างนี้นะเและแล้วเป็นอุบายใส่ปัจจัยติดตามมา ทำให้ท่านปองสังขารวางขันห้าในดงได้ออสำเร็จอร h a t สะผลได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็หมายความว่าท่านก็สร้างบุญกุศลอย่างอื่นมามากต่อมากกินเต็มแลว่าเถอะแต่ว่วาบุญกุศลส่วนพิจรารณาอสุภกรรมฐานนี่แรงกล้ากลัวการทำบุญอื่นๆหมายความว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้น โคปฏิบัติในบริษัทปนานี้จึงอย่าไปประมาทความรู้ความเห็นว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจะไม่เป็นอุปกรณ์ใช้ปัจจัยติดตามตนไปต้องเป็นแน่นอนขอให้คิดขอให้พิจารณากันอย่าอยู่เฉยๆการปฏิบัตินี่ปัญญามันจะเกิดได้ก็เพราะความประกอบ หัดคิดหัดพิชชาดจารณาในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงขึ้นมาในใจอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงจะเป็นอุปนิสัยปัจจั ย, ยเราจเจริญกรรมฐานในอยู่เนี่ยแต่ว่าวัฒนะบา ร, รมียังไม่เต็มก็ยังบรรลุมรรคผลที่พานไม่ได้ในชาตินี้ อานนี้สงแห่งการเจริญกรรมฐานนี่ก็จะติดสอยห้อยตามไปเมื่อไปเกิดชาติหน้าบังเอิญบุญบา ร, รมีที่ทำไปนี่มันเต็มแลกอย่างนี้นะสมมติให้ฟังว่าเช่นละโลกนี้ไปแล้วบุคคลผู้มีศิลนมีธรรมมีบุญมากก็ไปเกิดสวรรค์พอถึงศาสนาพระสีอริยเมตไตรลงไปตรัสรู้ในโลก แล้ววันนี้ไอ้พวกเทวดาที่มีบุญมากที่ได้เจริญภาวนาไปแต่เป็นมนุษย์อย่างที่ว่ามานั่นน่ก็จุดติไปเกิดในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรแล้วบุญกุศลอานวยผลให้มีทรัพยากรต่างๆไม่อดไมย่ยากเลยบุญมันแรงนี่บุญได้สั่งสมมามากนะตาม ที่ทังกล่าวไว้ในตำราในยุคสมัยของพระสีอริยเมตไยบุคคลไม่ได้ทำไรไถนาะอะไรเลยคล้ายๆกับว่ากินของทิพย์ว่าได้ท่าอธิบายไว้ว่ า, ว า, วามีต้นกระเพึกเกิดขึ้นอยู่ตามมุมเมืองต่างๆใครต้องการผ้าหนุง่งผ้าหงก็ไปอธิษฐานเอาใครต้องการอาหารก็ไปอธิษฐานเอา อาหารก็มีมาให้รับประทานจากนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยมันถึงไม่ได้ทำบาปอะไรเสมอผ่อนบุญที่ตนทำมาแต่ก่อนมันไปรวมกำลังกันให้ผลเช่นนี้ก็เลยไม่ได้กรรพ้นทนแดดคล้ายๆก็ว่าเทวดาอยู่บนถวันนั่นเองตามที่กล่าวไว้ในตำรา ก็เลยไม่ไม่เป็นทุกข์เกิดร้อนอะไรแต่ท่านเหล่านั้นมีบุญบารมีแก่กล้าแล้วถึงจะได้สวยความสุขในโลกีนี่มากมายอย่างไรท่านก็ไม่ติดเมื่อได้ฟังธรรมของพระศีอริยเมตตาแล้วรขากรุกปพงปัญญาลงเห็นได้ว่าร่างกายสังขารอันนี้ถึงมันจะสวยงะงามอย่างไรอย่างไร มันก็ตกอยู่ในภาวะที่ไม่เที่ยงแท้อย่างยืนสมบัติเข้าของเงินทองอะไรที่เกิดด้วยบุญเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนบุญกุศลที่ทำมามันก็หมดเป็นดังนั้นเราจะมาไว้ใจเราจะมานอนใจอยู่กับร่างกายสังขารอันนี้โดยส่วนเดียวไม่ได้เลยไม่ทนทุกข์คนมีบุญมากแล้วมันทัก เป็นยังไงเนี่ยปัญญามันจะเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่หลงไหลในของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้สวยสดขดนงามอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่หลงไม่ดืมความจริงเป็นอย่างนั้นถ้าว่าคนเหล่านั้นไปหลงผลบุญที่ตอนทํามามันอำนวยให้อย่างนั้นแล้วฟังเทศตรีอริยเมตไตร คงไม่ได้บรรลุมรรคอะไรเลยแต่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณไว้ในสมัยนั้นคนมีบุญมาเกิดพระศีอริยเมตตาแสดงธรรมจบตรงแต่ละกันคนได้บรรลุมรรคเป็นล้านล้านเป็นโปรดโปรดดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่สี่หมื่นปี ดับขันเข้าสู่พรนิพพานไปแล้วพระองค์ไม่ได้ไว่ายศาสนาเหมือนอย่างพระพุทธเจา้าของเราเพราะพระองค์อายุยืนแปดหมื่นปีสี่หมื่นปีครองเรือนอยู่แล้วออกบวชตัดรูเป็นพระพุทธเจา้าเฮ้ยแผ่พระธรรมที่พระองค์ตัดรูแจ้งแล้วนั้นอยู่อีกสี่หมืนปีพอแล้วพระองค์ปนิพพานไปแล้วพุดในศาสนาในยุคนั้นก็หมดไป อเท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> นี่สมมุติให้ฟังว่าสมมุติว่าผู้เป็นมนุษย์อยู่ในชาตินี้แหละตั้งใจละทั่วทำดีฝึกฝนจิตใจเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยเช่นนี้นะบุญกุศลเหล่านี้มันก็แรงกล้าอ่าเหมือนอย่าง ประวัติของพระจนระบรรทกดังกล่าวมานั่นเองท่านพิจารณาเพียงแต่เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดฝ่ากนี่ไปถูตามเนื้อตามตัวแล้วมาเกิดเศ้าหมองขึ้นมาถ้าก็โยงพี่นาเรว่าโอ้ร่างกายมันก็เศ้าหมองอย่นี้เนอะไม่สะอาดตัดสวยอะไรไม่น่ายินดีพอใจเลยเอท่านพิจารณาเห็นเท่านี้นะก็ยังเป็นอุคุณิสัยพอใจผิดตามมาจนถึงศาสนาพิจารณาของเราอ่ะ แล้วพระองค์อธิษฐานผาชเช็ดปากให้เผืนหนึ่งอย่างว่านั้นนะเอาไปถูกายในบริกรรมคาถานั่นไปผ้าเต้าหมองด้วยอนุภาพของพระองค์ท่านพิจารณาเห็นเกิดคว า, ามสังเวชตลดใจเบื่อหน่ายต่อร่างกายสังขารพระองค์สอนในเจริญนิพพ า, านญาณไปในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหรันอ่านี่ลองคิดดูเกิดปัจจัยนี่มันติดตาม บุคคลผู้กระทำไปทุกแห่งทรงผลเลยถ้ามันยังไม่ให้ผลบาบไดแล้วมันไม่สูญไม่หายบุญกุศลคุณงามความดีนี่นะไม่หายแม้แต่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งทำบาปแล้วจะไปตกนรกก่อนแต่บุญนั้นก็ยังไม่หายผู้นั้นสวยขนแห่งบาปกรรมนั่น หมดลงแล้วค้นจากนรกมาแล้วบุญกุศนั้นนั่นก็ยังปิดส่อยให้ตามนำให้มาเกิดเป็นคนขึ้นมาในโลกอีกอคนส่วนมากาที่เกิดมาแล้วใจดำอมมหิดไปรู้จักทาบุญทาทานนี่มันก็มาจากนรกนั่นเองเนี่ยหมดกรรมหมดเรีนในนรกในเปรตแล้วบุญที่เขาทำมาแต่ก่อนนั้นก็เลยมีโอกาสให้ผล นำมาให้เกิดเป็นคนอย่างนี้นะแต่ร่างกายดีจริงนี่แต่ใจไม่ดีกว่านี้เพราะว่าใจนั้นไปทำบาปก ร, รมน้มไปทางบาปทางกรรมแล้วก็ยังได้ไปสเสวยทุกข์อยู่ในน ร, รกนานแสนนานจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวไปหมดเลยเขาพ้นจากบาปกรรมเวรอันนั้นแล้วมาเกิดเป็นคนนี่โอ้ยจิตใจเลยมันถูกปอบทําเอาพอแรง จะให้มันเบิกปานผ่องใสที่ไหนได้เรื่องนั้นแหละจึงแสดงตนเป็นคนอนุภานเลยคนบางคนเค่นี้แล้วก็มักจะประสบความมีบัตรถูกฆ่าตายผู้ใดเบ่งมากมา ก, มากเข้าไปอย่างนี้คนใจบาปแม้จะทำบุญกุศลบุญก็ช่วยพ้นทุกข์ไปไม่ได้ เพราะว่าบุญนั้นทาก็เพียงแค่ให้ทานตามธรรมดาประเพณีนิยมไปเฉยๆอย่างนี้นะแล้วผลทานนั้นไม่ให้เกิดมาเป็นคนร่างกายสมบูรณ์จริงแต่จิตใจไม่สมบูรณ์้วยสติปัญญาเหตุนั้นมันถึงได้ไปทำชั่วแล้วกว่านี้ไอ้พวกทัวกระบอเนี่ยดูไม่มีแต่คนล่ำสันเนร่างกายแข็งแรงอ่เป็นอย่างนั้น นี่แต่ขอให้เข้าใจให้มันแจ่มแจ้งถูกต้องบางคนก็วิจารณ์เนี่ยเอ๊ะคนหน้าตาดีรูปร่างก็ดีอย่างนี้ไม่น่าจะทำชั่วยอย่างนี้เลยอย่างงี้เพราะอะไรหนอพออ่านี่แหละก็เพรา ะ, ะ, ะเหตุผลดังกล่าวมานี่แหละก็ <c oughs> อ, อยากจะพูดให้ผู้ฟังทั้งหลายทำแล้วทำอีกเพื่อให้จำให้แม่น ไม่ให้มันสงสัยเลยแต่ผู้ที่เกิดมาทั้งมีร่างกายสมบูรณ์แล้ว จ, จิตใจก็ดีด้วยสนใจในบุญในกุศลไม่สนใจในบาปอากุศลนี่ส่แสดงถึงอดีตชาติหนหลังผู้นั้นก็ไม่ได้สนใจในบาปกรรมมาสนใจในบุญกุศลสนใจฟังธรรมคำสอนของพระเจ้า ดังนั้นเมื่อมาเกิดในชาตินี้บุญกุศลนั้นจึงหนูนส่งเข้ามามาเกิดเป็นคนแล้วก็มักจะได้ครอบผาสมาของกับนักปราชญ์บัณฑิตบุญนั่นแหละโดนบันดาล น, นะอ่าเดงั้นแต่อย่างญาติโยมที่มาบวชที่กันอยู่นี่ท่านถามแล้วพอมาแต่จังหวัดนั้นมาแต่จังหวัดนี้มาแต่ใคร ก็มีมาแต่ใกล้นก่อนมีอย่างนี้นะอันนี้มันเพราะอะไรนะก็เพราะบุญกุศล่ะโดนบันดาลเนนะี่ยบางทีก็ได้ทำบุญกุศลร่วมกันมาอย่างี้นะนั่นเนยแล้วเมื่อมาเกิดในชาตินี้บุญนั้นมันก็โดนบันดาลให้ได้รู้กิตติสัพพิติคุณของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์มาแต่ก่อนเพื่อได้ยิน ชื่อเสียงเรียงนามก็มีความเรื่มใสขึ้นมาแล้วเขาบุญหนหลังนั่นแหละมันมาหนุนส่งอขอให้เข้าใจไม่เช่นนั้นแล้วคนเราธรรมดาไม่มีทางหรอกที่จะไปเที่ยวตัวแหวงหาพบพระสมาคมถ้าไม่อาศัยเหตุปัจจัยผนหลังมานุนส่งมไม่แล้วก็ให้สังเกตดูคนที่อยู่ ใ, ใกล้ๆนี่นะ เขาไม่สนใจในศีลธรรมบุญกุศลมีอยู่เยอะนี่นั่นแหละไม่สนใจจะไปว่าอะไรที่คนอยู่ไกลๆไม่สนใจอยู่ใกล้ๆนี่ก็ยังไม่สนใจเนี่ยนี่แล้วเพราะอะไรนล้วก็เพราะอย่างที่ว่ามาแล้วนนเนะ่ยเขาบุญเขาไม่พอบุญเขาน้อยมันทํามาแต่ก่อนไม่มากมันไม่มีกําลังพอที่จะโดนจิตสนใจ ให้เกิดศรัทธาเรื่อมใสยอย่างแรงกล้าในธรรมว่าปฏิบัติเอื้อมไม่ถึงหะเขาว่าอย่างนั้นเลมพวกเราที่ได้มาปฏิบัติกันอยู่นี่แสดงว่าความสามารถมันมีเพียงพอเนื่องจากบุญกุศลหนหลังมันมากพอมันมาอุดหนุนจุนเจืออ่ามันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใด ร, รู้อย่างนี้แล้ว กะชงพาการรักษาบุญกุศลความดีที่ตนกระทำอย่าให้เสื่อมเลยเพราะบุญกุศลอันเป็นส่วนโล ก, กีนี่มันเสื่อมได้ถ้าจิตใจประมาทมัวเมาเข้าไปแล้วมันเสื่อมเลยอ่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องมีสตสิสมัชัญญาตามรักษาจิตอ น, นิ์เสมอไปอย่าให้มันเสียใจดีใจเกินขอบเขต จะให้มันคับแค้นคุนเครืองอะไรต่ออะไรทั้งหมดอ่าจะให้มันโศกเศร้าโศกาที่ไร้ลําพันเนื่องจากความผิดฝังบางสิ่งบางอย่างในชีวิตแย่นี่ก็จะไปฟื้นฝอย ห, หาตะกิจเอ้าผิดฝังแล้วก็เลี้ยวไปตั้งต้นใหม่สิ่งใดที่มันร่วงมาแล้วมันก็เลี้ยวไปแล้วมันดับไปแล้วมันหมดไปแล้วไปคุ้ยมันออกมาทํำไมอ่ะ คุยออกมาแล้วมันก็ไม่ได้สมประสงค์เชียงแต่คิดให้ยุ่งใจเป่าๆผู้มีบุญมีสติมีปัญญาก็ย่อมเตือนตอนอย่างนี้แล้วก็ทิ้งเรื่องอดีตหมดเลยมไม่ยึดไม่ถือแล้วถ้าจะเกี่ยวกับบุคคลอย่างนี้ก็ไม่เกลียดไม่ชังเขาแล้วก็เมื่อมันทําไมด่ดีมันก็มันก็ร่วงมาแล้วนี่ อมันก็ล่วงมาแล้วจะไปกลับคืนให้มันดีคืนอย่างเก่ามันไม่ได้แล้วมันมันร่วงร่วงมาแล้วก็เลี้ยวไปเลยเอขาจะเจ้าสอนอย่างนี้นะอตีตังนานวาคเมยยะนปติตังเข อ, อนากรตังเป็นต้นอผู้มีปัญญาไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วมาเป็นอารมณ์ เพราะว่าสิ่งใดที่ล่วงมาแล้วมันก็หมดแล้วมันก็ดับไปแล้วอืแล้วก็ไม่ควรคาดการล่วงหน้าว่าเดือนหน้าปีหน้าชีวิตของเราจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เช่นนี้ไม่ควรเพราะว่ามันไม่แน่นอนออไปคาดการล่วงหน้าไปแล้วถ้าไปไปแล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังมันก็เป็นทุกข์โทมนัสขับแค้นใจปเปล่าอื ไปอย่างนั้น <c oughs> พระพุทธเจ้ายังสอนไม่ให้คาดการล่วงหน้าไปเลยเอาปัจจุบันปัจจุบันนี่เป็นหลักอืเอาเลเราทําอะไรก็ทํำในปัจจุบันนี้ไอท้ที่ที่ล่วงมาแล้วมันก็เลี้ยไปแล้วยังดีอยู่แต่ในปัจจุบันนี้เท่านี้เองอแล้วเบื้องหน้าก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเราไม่ต้องล่นลนไปอืมถึงแม้มันจะมีโครงการว่า เดือนหน้าปีหน้าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างนี้มีโครงการอย่างนี้นอยู่ก็ตาถ้าไม่ถึงเวลานั้นมาแล้วมันก็ทำไม่ได้ เ, เพียงแต่ทำโครงการไว้เฉยๆแล้วก็ยับยัง้งจิตใจไม่ต้องดินดินร้อนเดือดร้อนเลยก็มาพิจารณาลงในปัจจุบันนี่มาพิจารณาดูกายดูจิตตรงนี้ อันเป็นปัจจุบันนี้จิต ท, ที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงอ่ะมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณหรือเปล่าหรือมันไปตั้งมั่นอยู่กับกิเลสประเภทใดนี่เรามาพิจิตรใช้ตัวเองในปัจจุบันนี้ดีกว่าแล้วมันจะได้ชำระตนให้ขาวสะอาดไปเพราะว่ากิเลสบาปประทำอะไร มันก็เกิดขึ้นปัจจุบันนี้นะนออดีตล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้วนี้ออนาคตไปยังไม่ถึงตรนี้คิดอันเป็นปัจจุบันนี่แหละคิดขึ้นดีก็ดีชั่วก็ดีความหลงความเมาต่างๆมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เองนี่ต้องให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อพวกเรารูเข้าใจอย่างนี้มามีสติสมบัติเนี่ยกําหนดอปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์ไป สิ่งใดปรากฏในปัจจุบันนี้ทำความรู้เท่าสิ่งนั้นรู้เท่าตามเป็นจริงพว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นต้องดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งหนึ่งสิงได้เกิดขึ้นมาแล้วจะไม่ดับไม่มีในโลกเลยเรามาเพ่งพิจารณากันปัจจุบันเห็นชัดเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายแห่งกัปสิ่งทั้งพวง โดยเฉพาะความคิดความนึกในก จ, ใจิตใจนี่คิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่เช่นนี้นะแล้วมีอะไรเราเป็นแก่นฐานมานันนี่เราได้อะไรเน่ต้องเพ่งพเนาดูให้เห็นไม่ได้อะไรอะ่ะความคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปความจำความหมายหมายจำหมายไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วเอาไปจามันอื่นอีก ยำมันนั่นนอนเดยวมันดับไปแล้วมันจะคว้าแต่อย่างอื่นอยู่อย่างนั้นแล้วอันจิตใจนี่น ะ, ะเพราะฉะนั้นอันสิ่งที่จิตใจไปมุ่งหมายไว้นั่นก็ล้วนจะเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีดับเหมือน ก, นกันกับร่างกายอันนี้เลยเพื่อเป็นเช่นนี้นะทํายังไงมันจึงจะไม่คว้าไม่ไปผูกมัดกับสิ่งไม่เที่ยงนต่างๆเหล่านั้นก็ กำหนดเอาปัจจุบันเป็นหลักอย่างว่านี่นะมีสติสมบัติยาห้ามจิตไม่ให้คิดไปในอดีตอนาคตกำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันเมื่อมองเห็นว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นในจิตทำจิตให้ตั้งมัน่นไม่ยึดไปถืออะไรในปัจจุบันนี้อย่างนี้นี่แหละไว้พึ่งเพ่งพิจารณาจิตอันเป็นปัจจุบันที่ตั้งมั่นอยู่นี่ไม่ยึดไป่ถืออะไร เพ่งพิจารณาจิตคือความรู้สึกอันนี้เป็นอารมณ์เสมอเสมอไปมันก็ไม่มีทุกข์ไอดอะไรแบบนี้นะพระพุทธเจ้าสอนว่าทำไรปรากฏขึ้นเฉพาะหน้าอันไม่งอนงนแออันไม่คลอนแคลนเพิ่งจเจริญทมนั้นเนืองเนืองเนี่ยพระองค์สอนว่าอย่างนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้แหละ ทำไรปรากฏต่อหน้านี่ถ้ามันทานั้นไม่เที่ยงก็อย่าไปเจริญมันปล่อยให้มันดับไปถ้าทําใดมันทนต่อความเพ่งเราเพ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ทานั้นปรากฏเจมอยู่ในใจอก็ถ้าพูดส่านๆแล้วก็ว่าอนนีิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้ปรากฏอยู่ในใจนั่น นั่นแหละแล้วก็เพ่งเพียรณาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนที่เป็นรูกก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมาก็ดีมันก็ไม่เที่ยงไม่อย่างยืนอะไรเลยอย่างนี้แต่ความรู้ความเห็นนี่สิบะนี่นะเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งแล้วมันไม่งอแงไม่กลอนแฟลนบะนี้หมายความว่าเห็นสริงไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางจริงไม่เที่ยง เมื่อปล่อยบางถึงไม่เที่ยงแล้วอจิตคือความรู้สึกนี่มันก็ไม่แปรผันหวันไหวแล้วเพราะไม่ได้ยึดเอาของไม่เที่ยงไว้มันพึ่งตัวเองได้พึ่งความรู้ความฉลาดของตัวเองตั้งอยู่ได้โดยลำพังอืมตั้งโดดเด่นอยู่ได้โดยลำพัง น, นี่นะเมื่อความรู้ความเห็นมันยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แล้ว เห็นอะไรก็เห็นมันแต่เกิดแต่ดับไปเท่านั้นเองไม่เห็นมีตัวมีตนอะไรนี่แหละพากันพี่นาะลงไปมันถึงขั้นนั้นลบสมมุติปัญญาตวตรตัดกวัดคนว่าตนตัวเราเขาออกทิ้งให้หมดเลยให้มันเหลือแต่ความรู้ความเห็นที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วยอมแปรโพลแตกกลับไปอยู่นั้น ความไม่หวั่นไหวต่อความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายนั้นแหละเป็นธรรมของจริงเป็นธรรมอันไม่ตายดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้